จอยจอยไปเสาะหาพระหาชีฝรั่งมา่างไหนได้เรื่อยๆ <c oughs> ลำบากนะพูดก <c oughs> ันจริงๆฟังทีเดียวไม่รู้เรื่องหรอกคนไทยยังยากเลย <c oughs> นีฟังแล้วแปลฟังแล้วแปลนะบางทีเขาพูดอะไรเราก็ไม่เข้าใจนะเป็นลำบากคือ สื่อสารกันยากแต่ถ้าอย่างป้าจอยนันน่ปะป้าจอยมาเรียนหลายทีเรียเนเพ่อแกตื่นขึ้นมาแกเข้าเข้าใจต่ตื่นได้แล้วพอหายไป น, น, นานๆที่หลงไปอีกมันยากมากเลยที่กว่าคนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ว่าคนที่ตื่นแล้วเนี่ยไม่ยากหรอกที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ เพราะถ้าตื่นขึ้นมาได้นะก็สามารถเจริญสติปัฏฐานได้ถ้าเจริญสติปัฏฐานได้ถูกต้องก็ได้ผลเร็ว7วันเดเดือน7ปีต้องได้ผลบางคนทำา3 4ปีสา 3-4 ปีสบายไปแล้วบางคนก็นานหน่อยก็แล้วแต่ยินรีของแต่ละคนไม่เท่ากัน แกอ่อนต่างกันนะถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรู้เร็วอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ต้องสะสมเอาอินทรีย์มี5ตัวนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวิธีสะสมก็คือเจริญสติให้เยอะไว้ถ้าสติดีนะศรัทธามันจะดีขึ้นวิริยาสมาธิปัญญามันจะดีขึ้นแต่สตินั้นต้องเป็นสัมมาสติถูกต้องถ้าเป็นมิจฉาสติ ก็ไม่ได้นะอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าสัมมาสติต้องรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจไปคำว่าสัมมาสติจริงๆก็คือสติปัฏฐานนั่นเองเป็นสติที่รู้กายรู้ใจพอเรารู้กายรู้ใจมากๆนะเราเห็นความจริงของกายของใจไปเรื่อยจนวันหนึ่งได้พระโสดาบันศรัทธาของเราจะเต็มละ กว่าศรัทธาจะเต็มต้งเป็นพระโสดาบันเนะนี่ยเน้นศรัทธาของผู้ดุชนเนะีเป็นศรัทธากลับกรอกวันนี้ศรัทธาอีกวันหนึ่งไม่ศรัทธาเนี่ยกลับกรอกแต่พระโสดาบันน ะ, จะเจริญสติปัฏฐานมาพอสมควรละเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนา ม, มรู้เลยพระพุทธเจ้าสอนของจริงนะธรรมะของจริงเป็นอย่างนี้คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวเรา เห็นธรรมะของจริงพระพุทธเจ้าสอนของจริงจิตใจของผู้ปฏิบัติตามเนี่ยสามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้คือเป็นพระสงฆ์ได้พระสงฆ์แท้ๆเกิดขึ้นเมื่อใจเราเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมะคือเห็นความจริงแล้วทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราเป็นพระพระแท้ๆ แ, แ, แล้วถ้าบวชเข้ามาก็เรียกว่าเป็นพระสมมุติสมมติที่สง ส่วนสงฆ์แท้ๆไม่ต้องบวช อ, อยู่ที่เจริญสติเป็นเข้าใจธรรมะก็เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาพอเราเข้าใจแล้วเราโอ้พระสงฆ์มีจริงๆนะผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วบรรลุทำเข้าใจทำตามพระพุทธเจ้าสอนไมีจริงๆนะพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงพระสงฆ์ก็มีจริงมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจแน่นแฟนไม่คลอนแคลนอีกล้ ของเราอย่างคลอนแคลนนะภาวนาวันนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้านะอีกวันไปศรัทธาจตุคามอีกแล้วนจะตุคามไม่นานนะม า, าพระพิคเนตอีกแล้วนะต่อไปมันจะปั่นตัวอะไรขึ้นมาไหวนะจิงจกสองหางก็ไหว้นะตุกแกก็ไหวรักยมกูมันทองนะมานาวหมดแหละนะแต่ก่อนเขามีนางกวักเดี๋ย น, นี้เห็นมีแมวกวักเห็นไหม ต้องแอบกว่ามันมีที่พึ่งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะที่พึ่ง น, นั้นสะท้อนเลยว่าไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกมีที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยไม่มีที่พึ่งอื่นนะมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนื้อศรัทธาของเราจะสมบูรณ์ตนเป็นพระโสดาละะวิริยนะนี วิริยะของเราก็ยังกับพร่องกับแฝงวันนี้ขยันวันนี้ไม่ขยันวิริยะนะค่อยสะสมกันนานนะเป็นพระโสดาแล้บางวันยังขี้เกียจนะเป็นพระสักกทาคาบางวันยังขี้เกียจอกถ้าเป็นอนาคาก็ชักจะวิริยะเกินไปบางทีเหลืออีกนิดเดียวรีบตะลุยเลยนะ ให้เรามีสตินะแล้ววิริยะที่พอดีพอดีจะเกิดขึ้นเพราะทุกครั้งที่มีสตินั่นแหละวิริยะเกิดแล้วคาว่าวิริยะเป็นยังไงวิริยะก็คือเพียรละอกุศลที่มีอยู่แล้วนะเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะเพียรเจริญกุศลนะให้เกิดขึ้นมากุศนละที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดบ่อยๆให้งอกงามไพบูรณ์อันนี้เรียกว่าวิริยะวิริยะไม่ใช่แปลว่าเดินทนวิริยะไม่ได้แปลว่านั่งทน นั่งทนเดินทนนั้นอาศัยธรรมะความขมใจอาศัยขันตินอิริยาะที่แท้จริงเกิดจากมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองทันทีที่มีสติอากูสลที่มีอยู่จะดับทันทีอากูสลใหม่จะเกิดไม่ได้กูสลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาคือตอนที่ขาดสติอยู่นีไม่มีกูสลตรงที่มีสติก็มีกูสนพอเคยมีสติแล้วแต่ไปสติเกิดบ่อย ศีล ส, ส, สมาธิปัญญาอะไรนี่แก่รอบขึ้นเรื่อยๆสติงอกงามไพ่บุญขึ้นกุศลงอกงามไพ่บุญขึ้นเนี่ยอาศัยมีสตินะก็เลยมีศรัทธามากขึ้นแน่นแฟน้นมีวิริยะนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นถ้ามีสติที่แท้จริงถ้าเป็นมิจฉาสติก็ได้มิจฉาสมาธิมิจฉาสติเช่นรู้ท้องพองยุบแล้วเพ่งอยู่ที่ท้องใจนิ่งๆทื่อๆนะ หรือเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าไปเรื่อยๆใจนิ่งๆทื่อๆเพ่งไปเรื่อยในสุดเกิดปีติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่นะมีหลายแบบเกิดขนลุกสู้ซ่าเกิดรู้สึกเหมือนฟ้าแลบวูบวูบ้าบๆยอะไรงพวกนั้นยังไม่ใช่ตัวสมาสมาธิหรือบางคนภาวนาแล้วขาดสตินะเคลิมลืมเนื้อลืมตัวชอบกันมากนะ นั่งสมาธิแล้วเคลิ้มเนี่ยสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่ตามวัดปา่ายลางค่ากลางคืนบางทีเขาไปภาวนารวมกันนั่งรวมกันเยอะๆเปิดเทปครูบาอาจารย์ไปด้วยเพราะครูบาอาจารย์แก่แล้วเทปไม่ไหวครูบาอาจารย์มาองคเสียงท่านนุ่มนวลมากนะอย่างหลวงปู่เทสเนี่ยหลวงปู่เทสหลวงพ่อไปอยู่กับท่านบ่อ ย, อยๆก่อนกางค่ากลางคืนคนภาวนาเปิดเทปท่านไปนะแล้วก็ สบายหลวงพ่ อ, อก็ทำเป็นนะไม่ยากหรอกอีกเคลิ้มๆไปนะพอหมดชั่วโมงสมัยก่อนมันเป็นเทปเนี่ยพอครึ่งชั่วโมงมันดีดแป๊กตืน่นเดี๋ยวเปิดอีกหน้าหนึ่งแป๊ก <อะ S 2> ตืน่นแผดส่วนกุศลได้ละหมดเวลาละ ฝึกอะไรฝึกโมหะฝึกอะไรฝึกโลภะไม่ได้ฝึกสติอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยหลวงพ่อไปเห็นเขาภาวนานะใจเราก็ น, นึกโอ้นี่ไม่ได้ภาวนาขาดสติไม่ได้ภาวนาพอตอนเช้าตามพวกคุณป้านะเข้าไปถวายดอกไม้ท่านหลวงปู่หันมามองหน้าเรายิ้มยิ้มนะ วัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วล่ะพวกเราในี่ใจแวแวแปวเลยแหมนินทาอยู่ที่โบส น, นะนินทาในใจอยู่ในโบส น, นะเชา้าโดนท่านเฉาะเขาให้แล้วท่านก็พูดยิ้มยิ้มนะกายโยมท่านใจดีส่วนมากครูบาอาจารย์จะใจดีกายโยมนะจะดูกับพระเหมือนกันททบทั้งนั้นนะกับพระเนี่ย เวลาพระไปทําอะไรมายังไม่ทันจะเสียวว่าทําผิดเลยนะหลวงพ่อหันไปมองบางองค์แทบจะวิ่งหนีเลย <c oughs> เรีบหลบปุบปุ๊ปปอา้าว <c oughs> เห็นอยู่แวบบ๊แบแวบ <c oughs> วิ่งไปหลังกุฏิแล้ว <c oughs> อีกองค์หนึ่งหลวงพ่อสั่งไว้บอกว่าคอยดูไว้นะอย่าให้เด็กมันมาถากถากหน้าดินเพราะที่นี่เป็นทรายพอเอาญ้าออกปุ๊บฝนตกในน้ําถล่มเลย ที่ถล่มซ่อมกะทีหนึ่งมวนเงินเป็นแสนแสนนะท่านเผลอเด็กมันมาถักหน้าดินหลวงพ่อเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดไปนะพระท่านสารภาพบอกโอ้โหใจนี้หล่นตุ๊บลงไปเลยใจเต้นตุ้มตุมตุ้มนะจนถึงเย็นไปฉันน้ำป้าน้ายังไม่หายเต้นอยู่เลยอ <c oughs> ย่างกระโยมหลวงพ่อยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหโยมมันมีความทุกข์อยู่เยอะแล้วยมอินทรียังอ่อน เลี้ยงเด็กอ่อนก็ต้องประครบประงมนะพระนะ่ะตั้งใจแล้วปฏิญาณตนเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าแล้วต้องสู้จริงจังเอาอย่างโยมไม่ได้พระตกนรกเยอะนะเยอะมาก้หลวงพ่อถึงเข้มงวดกับพระมากเลยแต่โยมก็ยังปล่อยๆโยมเข้มงวดมากโยมทนไม่ไหวแต่ว่าพวกที่มาเรียนหนักๆแล้วนะมาเรียนหลายทีแล้วเนี่ย ก็จะโดนหนักขึ้นเรื่อยๆนะทำใจเสเถอะวันหนึ่งก็ต้องโดนแหละสมัยก่อนดูมากนะกระยมก็ดูเหมือนกันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาภาวนาวิธีไหนก็ใช้ไม่ได้ต้องเดินเดินจงกรมแล้วจะรู้สึกตัวทุกวันน้าสั่งให้เดิน บ, บังคับหยุดไม่ได้นะเดินไปเรื่อยๆจนแกร้องอุทธรณ์นะว่าเท้าแกเนี่ยโตแกใส่รองเท้าไม่ได้นะ้ว <c oughs> <c oughs> เดินไปเดินไป ทำอย่างนี้แล้วดีก็ทําไปเดี๋ยวนี้ไม่เข้มงวดอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ต้องช่วยตัวเองเยอะเกินกว่าที่จะไล่เข้มงวดทีละคนแล้ ว, ว, ลวช่วยตัวเองเอาต้องมีความเพียร น, นะมีสติแล้วมีความเพียรไปเขามีสติแล้วศรัทธาก็เพิ่มขึ้นมีสติแล้วใจก็จะตั้งมั่นที่ใจเรานั่งภาวนาแล้วเคลิม้มงอแง้งงอแง้ง เ, เพราะขาดสติสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ยังต้องมีสติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งตัวไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่เพ่งใจไม่ใช่เพ่งลมหายใจไม่ใช่เพ่งท้องฟองยุบไม่ใช่เพ่งเท้าเพ่งมือไม่ใช่เพ่งร่างกายทั้งกายไม่ใช่เพ่งจิตไม่ใช่เพ่งเวทนาไม่ได้เพ่งอะไรเลยแค่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจพอรู้ฝ่ายใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ย ไม่ขาดสตินะใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูตรงที่ใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมีช่องว่างมาขนนะั้นเวทนาความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งมีช่องว่างมาขนนะั้นเราจะเห็นเวทนาอยูนอ่นอกใจอยู่ต่างหากนะสัญญาสังขารก็เหมือนกันนะกุศลอกุศลทั้งหลายเป็นสังขารเราเห็นมันอยูนอ่นอกมันไม่ใช่จิตหรอก มันอยู่นอกๆมีช่องว่างมาขั้นระหว่างจิตกับกิเลสเนี่ยไม่สัมผัสกันอย่างนี้เรียกว่าใจเราตั้งมั่นอยู่อะไรๆเกิดขึ้นนะในกายในใจเราก็เห็นว่าทั้งกายทั้งใจเขาทํางานของเขาไปเรื่อยใจมันอยู่ต่างหากใจมันตั้งมั่นตัวนี้เรียกว่ามีสัมมาสมาธิใจมตั้งมั่นอยู่ถ้าใจไม่ตั้งมั่นใจก็ไหลไหลเข้าไปไหนไหลเข้าไปรวมอยู่กับกายไหลไปรวมอยู่กับเวทนาไหลไปยมรวมอยู่กับสังขาร นะจิตตสังขารในใจเราไหลไปรวมกวับความว่างๆนะหรือบางทีก็ไหลออกนอกไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแตง่งนี่เรียกว่าใจมันไม่ตั้งมั่นนะใจเราจะแฉลบซ้ายแฉลบขวาอยู่ทั้งวันนะค่อยฝึกนะฝึกไปช่วงหนึ่งจะมองเห็นใจจะแฉลบไปแฉลบมาตลอดเวลานะในห้องเนี่ยรู้สึกไหมใจแฉลบอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวแฉลบไปดูเดี๋ยวแฉ ล, บ ไ, ฉลบไปฟังเดี๋ยวแฉลบไปคิดนะเดี๋ยวแฉลปไปเพ่งนะ มีสารพัดรูปแบบเนี่ยใจมันไม่มีสัมมาสมาธิถ้ามันมีสตินะใจหลงไปคิดรู้ทันว่าใจหลงไปคิดใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมะตั้งขึ้นได้แวบเดียวนะเดี๋ยวก็ไหลอีกนี่พอเราไหลไปเรารู้เราไหลไปรู้นะั้นจะตั้งได้นานมันจะเหมือนตั้งได้ต่อเนื่องความจริงไม่ได้ต่อเนื่องหรอกจิตที่ตั้งมั่นก็เกิดดับทีละขณะเหมือนกับจิตชนิดอื่นนั่นแหละแต่มันเกิดบ่อยเกิดบ่อยจนรู้สึกเหมือนอยู่ได้นานๆ ออยู่ได้อย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วก็บางทีสติไปะระลึกรู้กายครับบางทีสติไปะระลึกรู้จิตครับจงใจะระลึกไม่ได้ะระลึกของมันเองเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตรู้มากๆนะมันจะเห็นความจริงอะกายตะกี้อย่างนี้กายตอนนี้อย่างนี้จิตตะกี้อย่างนี้จิตเดี๋ยวนี้อย่างนี้เห็นไม่เหมือนกัน หรือเห็นนากายในปัจจุบันนี้ที่เรามองอยู่เนี่ยมันของถูกรู้ถูกดูจิตที่เราตามรู้ตามดูนี่ก็ของถูกรู้ถูกดูไม่มีตัวเราเลยนะไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดการที่เห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูบ้างเป็นของอยู่นอกๆบ้างเป็นของเกิดดับบ้างเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นบ้างเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นความจริงการเห็นความจริงนี้เรียกว่าปัญญา เพราะฉะนั้นอาศัยการมีสติเนี่ยเราก็เลยเกิดศรัทธาเกิดวิริยะนะเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาไม่ใช่ต้องทําแยกเป็นตัวตัวนะยกเว้นสมาธิสมาธิบางทีเราเจริญสตินานนานไปนะสมาธิมันตกได้เหมือนกันอย่างนั้นต้องต้องพักผ่อนจิตใจบ้างทําสมาธิได้ก็ทําถ้าทําสมาธิไม่เป็นก็ให้รู้ทานเอาว่าจิตมันไหลไปข้างนอกแล้วไปแช่อยู่ข้างนอกนิ่งๆแล้ว ถ้าจิตยังมีแรงอยู่นะมันจะไหลแว บ, บไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่ยังมีแรงอยู่ถ้าไหลไปแวบออกไปแล้วก็ไป น, นอนนิ่งๆอยู่ข้างนอกนะส่วนใหญ่ไป น, นอนแช่อยู่ข้างหน้านี่นั่นน่ะมันหมดแรงแล้วนั่นหมดแรงอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหลงเพลินในความสุขสระแลนะมี2แบบนั้นที่ไหลไปแช่อยู่ข้างหน้าอันหนึ่งเพราะว่าหมดเรี้ยวหมดแรงที่จะรู้สึกตัวแล้วใจไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นนะอีกอันหนึ่งก็มันเพลินในความสุขไปนอนแช่นิ่งๆอยู่ ทีแรกเข้าใจมันไม่มีแรงก่อนนะมันก็เลยไหลไปอยู่ข้างหน้าแล้วไปนอนนิ่งๆพอนอนนิ่งๆรู้สึกเอสสบายดีเนี่ว่ะเลยชอบเลยคราวนี้เลยติดอยู่ข้างหน้ากลับบ้านไม่ได้แล้วไปนอนอยู่หน้าบ้านคล้ายๆนอนอยู่ในบ้านนานแล้วเบื่อแล้วนะออกไปนอนเล่นหน้าบ้านนะดูเอ๊ท้องฟ้าปลอดโปรงดาวสวยอนะไรนี้นอนไปนอนมาเปลินเลยไม่เข้าบ้านเลยกลายเป็นพวกเล่ร่อนจอนจัดไปแล้วเนะื้อ ใ, ใจมันไม่ตั้งมั่นนะค่อยสังเกตเอา ส่วนอย่างลื่นนะมีศรัทธามิริยาอะไรเนี่ยทุกครั้งที่มีสติมันก็เพิ่มปูนไปนะปัญญามันก็เพิ่มปูนไปถ้ามีสัมมาสมาธิถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีปัญญาท่านถึงเอาสติมาขั้นไว้ตรงกลางเป็นสองพวกนะตัวปัญญามันอาศัยสติกับสมาธิช่วยมันเด้มาขั้นอยู่อ่ะต่อไปตรวจกันบ้านค่อยฝึกเอานะฝึกเอา ใครอยู่วัดวันนี้ใครอยู่บ้านบ้าใครอยากส่งกันบ้านเชิญนะไม่อยากก็ไม่ต้องส่งไม่บังคับหรอกเดี๋ยวนี้ฟังซีดีดูอ่านหนังสือหลวงพ่อแล้วไม่ค่อยมีปฏิบัติไม่ค่อยภาวนาแล้วหลวงพ่อให้กันบ้านไปว่าให้ดูลูกว่าวันไหนน่ารักวันไหนไม่น่ารัก วเวลาที่ลูกน่ารักก็มีความสุขเ<อ>วลาที่ลูกไม่น่ารักก็จะมีโทสะกับโมหกมาน<อ>ั่นแหละตัวอย่างนะมีความปรุงแต่งเยอะอบางทีเป็นสองสองนาทีบางสามนาทีเป็นชั่วโมงช่มโมงเป็นวันๆก็มี<อ>แล้วก็แบบนี้ยังจะเรียกว่าเป็นการตามรู้ตามดูอยู่หรือเปล่าใช่สิใช่ <N ic ly> มันดีเลยแล้วก็ชะเนิ่นนานไปมากครับต่อไปเอาอย่างมันไม่ฉับพลันทันท้องทีครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงลูกตลอดเวลาบางทีเราก็ไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมหลวงพ่อให้ดูเรื่องลูกเนี่ยเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนหัดดูพอคิดถึงลูกบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์คิดถึงลูกบางทีก็มีความรักบางทีก็มีความชังใช่ไหมเนี่ยต่อไปเอาเรื่องอื่นบ้างนะคิดถึงเมียบางทีก็รักบางทีก็หมั่นไส นะบางทีก็ลำแขวนในะเดี๋ยวไปคิดถึงบ้านเกิดเป็นห่วงบ้านเนะี่ยรู้ว่าเป็นห่วงอีกแล้วนะฝึกอย่างเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ว่าใจจะไปคิดเรื่องอะไรนะรู้ทันใจไปเรืยให้การบ้านเพิ่มแล้วนะที่<อ>ให้<อ>ดู<อ>ลูกเนี่ยเป็นตัวอย่างนะนะพอดูดูลูกพอคิดถึงลูกแล้วจิตเป็นยังไงเรารู้ทันเนะี่ยต่อไปคิดถึงเรื่องอื่นจิตเป็นไงเราคอยรู้นะบ้างอันนี้ใช้ได้ใช่มอาจยใช้ได้สิขอบคุณครับ อ่ะพี่ชัยอ้อยมีอะไรไหมจิตไม่ตั้งมั่นค่ะาอาจารย์ไม่มีแรงอ่ไม่มีแรงให้รู้ไป <c oughs> อย่าอยากมี <c oughs> ถ้าเมื่อไรจิตเราไม่มีเรี่ยวมีแรงนะ <c oughs> ท้อแท้ป้อแป้ถ้าเรารู้แล้วเราพยายามแก้ไขเนี่ยเราจะแย่เลยอึดอัดขัดข้องนะไม่มีแรงหรอก <c oughs> แต่ถ้าใจเรายอมรับสภาพมันไม่มีแรงนะมันไหลไปอย่างเงี้ย <c oughs> รู้อยู่อย่างนี้นะรู้ได้ใจที่เป็นกลาง ใจเรายอมรับเออไม่ต้องดิ้นออกมาก็ได้เอามันเป็นอย่างนี้แหละยอมรับมันตรงที่ยอมรับมันนี่นะใจจะเป็นกลางทันทีที่ใจเป็นกลางเรารู้ถึงความเป็นกลางนะั้นมันจะดีดผังขึ้นมาเลยมันจะมีพลังขึ้นมาเลยนะมันจะไม่ได้วิ่งคืนมานะส่มมะวนมากเวลาเราไม่มีแรงใจมันไหลไปใช่ไหมมันไหลไป น, นอนแชงแน่งอย่างเงี้ยให้เรารู้เฉยๆนะเราไม่ต้องพยายามดึงใจคืนมาถ้าพยายามดึงใจคืนมาเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกไม่มีแรงพอที่จะทําอย่างนั้นแล้วก็ห้ามทําทําแล้วไม่ดี ถ้าเรารู้เนี่ยสมมุตินี่ใจเรานะมันไหลไปเกาะอารมณ์นิ่งไปเกาะใจไปเกาะอยู่เนี่ยหมดแรงแล้วเรารู้นะเราไม่ทําอะไรเลยรู้ด้วยความเป็นกลางจริงๆนีตัวนี้จะสลายตัวเองแล้วตัวนี้มันจะเป็นกลางอยู่แล้วเป็นกลางเนี่ยมันไม่ต้องเลื่อนมานี้นะแต่มันเหมือนอยู่ตรงนี้เลยเป็นเหมือนเราเป็นเป็นกลางอยู่พอดีแล้วไม่ต้องไปดึงคืนมาเลยเป็นกลางพอดีเป๊ะเลย เป็นเรื่องแปลกนะทีแรกมันเหมือนหลอกเราว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่นี่ถ้าเรารู้ด้วยควาเป็นกลางจริงๆนะสิ่งนี้สลายตัวไปน ะ, ปะเพราะว่มันกลางอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะเราไม่ต้องดึงคืนมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะให้สักว่ารู้สักว่าเห็นลูกเดียวเลยแล้วมันกลางของมันเองนะแต่กว่าจะเข้าใจตัวนี้นะสู้กันปางตายมาแล้วนะอันนี้เป็นโน้ทาวที่แจกให้ฟรีๆนะไม่ได้เก็บสตาง ไม่ได้ไปจดลิขสิทธิ์กว่าจะรู้ว่าไอ้แค่ยอมแพ้มันนั่นแหละอย่านึกว่ากูเก่งนักหนาเลยกูไม่เก่งจริงหรอกนะถ้ายอมแพ้มันได้นะใจก็หลุดออกมาเลยจะถามอะไรใครจะถามอันนี้ของใครเออถามได้ไหม อ, อ้าวคนนี้ว่าออหลวงพ่อฮะเมื่อคืนปฏิบัติธรรมนะคะใจก็สงบนะ แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วค่ะแต่ว่าไปได้ยินเสียงเคาะประตูโอยธรรมดาได้เสียงเคาะประตูแต่ก็ทําเฉยๆยแล้วก็คือถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาแล้วใจเราชักเคลื่อ เ, เนี่ยนะพระเจ้าเขาก็จะเคาะประตูช่วยธรรมดาก็เลยก็เลยนั่งต่อไปค่ะเออดีเดินอย่างนั้นนั่งดูไปค่ะ บางคนมีนะไปตั้งสัจจะจะไม่นอนกลางวันเพราะนอนนั้นก็เคาะนะเคาะไม่ฟังนะเลื่อนตู้เลยลากเก้าอี้มันจ <c oughs> ีเรียกชื่อด้วยน ะ, ะได้ไดินเสียงลากค่ะเคาะ <c oughs> เสร็จแล้วก็นิ่งฟังเฉยแล้วก็เสร็จแล้วมันก็สิงมีเสียงลากแล้วเสร็จแล้วก็เค า, าหะหน้าต่างก็เลยแต่ก็เฉ ย, ยๆดูใจเราไว้นะเป็นการฝึกซ้อมไม่ให้ขาดสติ ใ, ใครอยากมาอยู่วัดจองคิวคิดให้ดีนะห <rij> ัวโกรนไม่รู้นะอยู่วัดหลวงพ่อแล้วมีโอกาสหัวโกรนนะคือภาวนาเข้าใจธรรมะแล้วอยากบวชบางทีเรียกชื่อเลยนะรักเราไม่ยอมตื่นแล้วเรียกปลุกเลยกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะมาจากอุบลราชธานีค่ะ เคยปฏิบัติตามเนี่ยสติปัฏฐาน4ตั้งแต่พฤษภาคมปี50ค่ะปฏิบัติมาสเดือนก็จะทำช่วงตอนเย็นหรือไม่ก็เวลาที่ลงเวรเที่ยงคืนแล้วอย่างี้ค่ะปฏิบัติมาได้สเดือนมีวันหนึ่งอ่านหนังสือของหลวงพ่อไม่ทราบว่าองค์ไหนค่ะท่านมีคนเขียนถามท่านว่าบันหนึ่งเดินจงกรมนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพอไหมสองชั่วโมงพอไม หลวงพ่อบอกว่าถ้าน่าหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงและอีกยี่สกว่าชั่วโมงคุณไม่มีสติหรอ hmm. แล้วท่านก็บอกว่าให้เจริญสติในชีวิตประจําวันท่านก็บอกว่าให้เวลาอ่านหนังสือก็ให้รู้ว่าอ่านหนังสือเวลา hmm. ทํากิจกรรมอะไรก็ตามโยมก็ไปปฏิบัติตาม hmm. แต่การปฏิบัติตามนั้นเพิ่งมาทราบทีหลังว่าเป็นการดักรอรู้เพ่งจ้องมากกว่า hmm. ค่ะแล้วก็เมื่อเดือน ต้นกุมภาคุณน้ามากราบหลวงพ่อแล้วก็เอาเสดีหลวงพ่อไปให้ฟังก็เลยได้ฟังเสดีของหลวงพ่อหลังจากฟังไปได้เดือนกว่าๆค่ะประมาณเชี่ยงคืนหลังจากที่โลงเวรมาโยมก็ทีแรกว่าจะไม่นั่งสมาธิก็เคยนั่งก็เล้นั่งซะหน่อยนั่งไปได้สักครู่หนึ่งก็เห็นจิตดวงหนึ่งของตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันแวบแบ แบบไปแต่ละเรื่องฉะนั้นก็นั่งคิดว่าเอ อ, เ อ, อนี่เหรอที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าจิตเราดับช่วงนั้นจิตเราคิดทึ่งถึงเรื่องไหนเราจะไปอบายภูมิหรือว่าสุขติภูมิออก็อยู่ตรงนี้เองก็เลยทราบว่านี่เหรอช่วขณะจิตเป็นแบบนี้เองเหรอจิตเป็นแบบนี้เหรอก็เลยเ อ, อ, อยากกราบขอคําแนะนําจากหลวงพ่อข่าว่าที่โยมปฏิบัติมานี้เป็นยังไงต้องทํำยังไงต่อเจ้าค่ะสุขีนะเราเห็นจิตนั้นเกิดดับไปเรื่อยๆนะ ดูไปเรื่อยแต่อย่าจ้องนะรู้เล่นๆอย่าถลําลงไปจ้องดูเหมือนดูห่างๆอ่ะดูอย่างสบายๆเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆบางทีมันก็ไม่ได้เห็นที่นี้บางทีมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจิตไปทําอะไรเราก็คอยรู้ทันเรื่อยๆจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะร้ายไม่มีอะไรจะดูแล้วเราเห็นมันแวบๆเราก็รู้ไปแต่เราไม่จ้องไว้ก่อนอย่าไปรอดูนะ แล้วก็เวลาดูก็ไม่ถลําลงไปดูดูห่างๆดูแล้วก็ไม่แทรกแซงมันดูเหมือนดูคนอื่นะนั้นก่อนจะดูนะอย่าไปจ้องไว้ก่อนอย่าไปเพ่งอย่าไปดักระหว่างดูอย่ากระโจนลงไปดูดูอยู่ไกลๆดูอยู่ห่างๆเหมือนเราอยู่ตรงนี้เห็นมันไหลอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ดูห่างๆดูแล้วไม่แทรกแซงค่ะ ตอนที่ตอนที่หลังจากฟังเทปหลวงพ่อแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมดูก็ทราบว่าท่านเขียนไว้ดีค่ะแต่ว่าโยมปฏิบัติผิดเองค่ะแล้วก็เวลา<ช>ที่ผิดตรงไหนรู้ไหมที่โยมพูดมาตะเกียบมีประโยคที่ผิดอยู่โยมบอกอ่านหนังสือให้รู้ว่าอ่านหนังสือเราไปรู้ทําไมว่าอ่านหนังสือใช่ไหมถ้าอ่านหนังสือไปแล้วใจเราไหลไปที่หนังสือเรารู้ว่าใจเราไหลไปที่หนังสือค่ะเราอ่านหนังสือแล้วเกิดสนุกขึ้นมาเราพอใจเรารู้ว่าพอใจ อ่านเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยอ่านแล้วงงรู้ว่างงเห็นไหมอะไรไม่ว่าจะไปรู้อะไรนะสุดท้ายเนี่ยย้อนมารู้ใจของเราไว้รู้อะไรก็ได้นะไม่ห้ามรู้อะไรก็ได้แต่รู้แล้วเนี่ยกลับมารู้ใจแต่ไม่ใช่จงใจจ้องนะมันจะรู้ขึ้นมาเองถ้าจงใจจ้องมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่ ง, งๆเฉยๆและอีกข้อค่ะหลวงพ่อคือเวลาที่โยมไปทำงานเป็นพยาบาลนะคะ ล้วเวลาที่ไม่ว่าจะเดินไปห้องคนไข้แทงน้ําเกลือหรือว่าฉีดยาหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆช่วงเวลาไหนที่เละลึกรู้กายได้ก็ทำละลึกรู้ใจตามรู้ใจได้ก็ทําแล้วก็บางครั้งก็อยู่กับลมหายใจแต่ว่าโยมไม่ทราบว่าสิ่งที่ทําไปนั้นเป็นรู้แบบลโลกๆหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ไม่รู้แบบโลกๆนะแต่ว่าใจมันน้อมไปทางสมถะเยอะไปมันจะไปเพียงมากไปมันไม่ใช่สักว่ารู้หรอก ดังนั้นใจของโยมเนี่ยมันจะนิ่งๆซึมๆเงียบๆอยู่อย่างเงี้ยมันนิ่งมากไปขนาดเนี้ยจิตมันติดสมถะอยู่ดูออกไหมมันนิ่งมันนิ่งจะไปกดมันนะปล่อยเนี่ยไปออกแรงกดมันแล้วต้องปล่อยให้หมดเออใกล้จะหลุดละแอบไปคิดแล้วทราบไหมใช่ค่ะเนี่ยให้รู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดก็รู้ไหลไปคิดก็รู้นะให้เขาไหลไปคิดไม่ห้ามเนี่ยเริ่มไปกดแล้ว อย่าไปกดมันถ้ากดแล้วมันจะนิ่งนิ่งแล้วมันติดสมถะไม่กดนะปล่อยมันลปล่อยให้มันหลงไปหลงแล้วรู้สึกเอาหลงแล้วเนี่ยเนี้ยไปประคองไว้ละรู้สึกไหมค่ะเอออย่าไปประคองไว้นะปล่อยมันเราปล่อยมันแล้วเราตามดูมันนะเราดูอย่างไม่มีส่วนได้เสียเราดูกายดูใจนี้เหมือนเราดูคนอื่นนะไม่ใช่ดูตัวเราที่หวังจะต้องดีต้องวิเศษต้องสุขต้องสงบดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อย เนี่ยใจแอบไปคิดแวบหนึ่งทราบไหมค่ะใจไหลไปคิดก็รู้ทันเนี่ยไหลไปอีกแล้วรู้สึกไหมค่ะหลวงพ่อเนี่ยฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะรู้เล่นๆอย่ารู้จริงจังของคุณรู้จริงจังเกินไปให้เล่นๆมากกว่านี้นะค่ะหลวงพ่ออย่างเราเป็นพยาบาลเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนความรู้สึกเราไม่เหมือนกันรู้สึกไหมค่ะแต่ถ้าเราเพ่งนะเห็นใครก็เหมือนกันหมดเลยถ้าวันใดเราไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเราเห็นทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะแสดงว่าเพ่งไปแล้ว คนที่จะเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดนั่นต้องพระละหันแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นพระลรหันนะแล้วก็เห็นทุกอย่างเรียบๆเหมือนกันหมดนะติ่งเอาไว้นะเนี่ยไปกดมันอยู่ดูออกไหมค่ะเีหลวงพ่อจําจี้จำชัยมากหน่อยนะเพราะมาไกลค่ะอ้าวใครต่อไปเชิญช่วยเอาแม่ชีว้างหนยใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวอ่า เม่ชีก็ตามดูกายเห็นกายดยจิตเห็นจิตจ ต, ตามแบบลุงพ่อให้ทําตามลุงก็ดูอริบทตสื่ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ตอนนอนอยู่สามแวบคือเผอไปคือขณะเอน็นกายนอนก็เผอเห็นขณะนั้นก็แวบเห็นกายที่กําลังนอนนั้นไม่ใช่เราคื อ, อมไม่มีเรานอนอยู่ใครมันนอนอยู่ ก็ไม่ร no ู้ก็ไม่รู้ว <si ่าตัวอะไรมันนอนอยู่เออนั่นแหละตัวอะไรก็ไม right. ่รู้แหละก็ก็ดูแบบต่อเนื่องก็ดูมามาเผลอเห็นอีกแวบหนึ่งคือว่าตอนนี้ตอนนอนอีกนะนลวงพ่อคือว่นนอนไปก็พอเผลอเผลอรู้สึกเผลอรู้สึกเผลอรู้สึกอยู่อย่างนั้นนะตั้งคืนเลยค่ะก็ก็ก็มานั่งคิดว่าอะ นี่เราไม่ได้ทําอะไรเลยคือมันสติคือเกิดเองเอไม่ได้ทําอะไรเลยเอคือเผลอรู F, <listeners. S 2> ้สึกเผลอรู้สึกเผลอแวบเผลอแวบเผอวบทีทั้งคืนนั่นแหละจิตเหลือสองอย่างเองจิตมีสติกับจิตขาดสติแล้วเราก็เลือกไม่ได้จิตจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้นะดูไปอย่างนี้แหละค่แล้วไม่เห็นอีกแวบนึ่นอนอีกกันแน่ก็เห็นรู้สึกว่าแวบเห็นจิตตัวเองมันอยู่ใต้ ฟ้ามืดมัวมันจดจอจดจอจะโผล่ขึ้นมาแต่มันโผล่ไม่ขึ้นไม่ไม่ต้องจงใจให้โผล่ขึ้นมานะให้รู้ลูกเดียวเลยจิตถูกโมหะครอบงำไว้ก็รู้ว่าถูกโมหะครอบไว้จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตถูกครอบไว้ก็รู้มัวมัวก็รู้ดูอย่างนั้นแหละดูอย่างเป็นกลางไม่ต้องไปแก้ไขมัน ความรู้สึกว่ามันเหมือนมันติดอะไรอย่นิดก็ไม่รู้นั่นแหละมันเหมือนอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอ่ะมันจะหลอกให้เราปลูกลงแต่งแล้วแต่ว่าถัดไปอีกวันสองวันหายไปหมดแล้วภาวนาไม่เป็นจ้ะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะภาวนาไม่เป็นก็รู้ว่าตอนนี้งงไปหมดแล้วงงรู้ว่างงไปไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามจะให้มันรู้เป็นนะรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ช่างแต่ว่าอะไรปรากฏในปัจจุบันรู้ลูกเดียวเลยค่ะ เอาไปเชิญโยมไปทานข้าวไปนิมนต์ครับนิมนต์